เป็นไงสบายดีหรือชาวพุทธไม่ค่อยถามกันเนาะว่าสบายดีหรืออะไรนี่มันสะท้อนความไม่รู้เมื่อก่อนเวลาครูบาอาจารย์เจอกันนะท่านจะถามเป็นทุกข์พอทนได้หรือแต่ถามแบบผู้รู้กาสบายไม่มีหรอกมันมีแต่ทุกข์นะทุกข์มากกับทุกข์น้อย ท่านเจอกันพวกนักปราศท่านเจอกันท่านถามว่าเป็นทุกข์พอทนได้หรือพอทนได้อยู่แสดงว่ายัางไม่ตายยังไม่เข้าโรงพยาบาลยังพอทนได้ความจริงมันทุกข์ทั้งวันนะยืนเดินนั่งนอนก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นนั่งก็เดี๋ยวก็เมื่อยนั่งไปแล้วอากาศร้อนก็ทุกข์ใช่ไหมทุกข์พัดไปก็บรรดทุกข์เดี๋ยวก็หิวข้าวแล้วพวกที่นั่งใกล้ๆทางนี้ยได้กลิ่นนะ ใจก็วักแวกวักแวกวนเวียนไปดูสำรวจก่อนวันนี้ควรจะกินอะไรดีเนี่ยอยู่ข้าวก็ทุกนะเดี๋ยวกินอิ่มเกินไปมานั่งก็ง่วงอีกทุกอีกแล้วนั้นจริงๆมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าใครรู้ทุกนะรู้ทุกแจ่มแจ้งมันจะค่อยๆปล่อยวางความยึดถือในกายในใจในรูปในนามนี้ได้งั้นต้องเห็นทุกนะ เห็นทุกข์แล้วรู้เลยทั้งกายทั้งใจนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ขันห้าเต็มไปด้วยความทุกข์รูปธรรมานมามธรรมทั้งหลายเต็มไปด้วยความทุกข์นี่มีสติมีปัญญาแล้วมันจะเห็นพอเห็นได้เต็มที่มันจะวางถ้ามันยังรู้สึกสุขอยู่มันไม่วางอย่างพวกเราภาวนากันถึงขั้นนี้แต่ละคนแต่ละคนเรายังเห็นร่างกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอย่างนี้ไม่วางยังมีทางเลือก ก็จะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะมันยังมีทางเลือกถ้านะวันใดสติปัญญาแก่รอบขึ้นมาเห็นเลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะไม่เห็นจะสุขจะสบายปัญญาพอนะมันจะไม่ยึดถือกายแต่ก่อนจะพอเนี่ยพอมันเห็นทุกข์มากๆมันจะเบือ่อบางทีเกลียดร่างกายรู้สึกไม่ดีนะบางคนไปฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตายแล้วมันก็มีจิตยอยู่นี่จิตมันก็ไปสร้างขันห้าขึ้นมาใหม่เชื้อเกิดมันยังมีนั้นไปฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นวิธีขจัดความทุกข์ได้จริงอันนี้เคยเห็นคนฆ่าตัวตายนึกว่าจะพ้นทุกข์ไม่พ้นหรอกก็ทุกข์ไปเรื่อยเรืยเราก็รู้เอานะลองไม่ยากอะไรเรื่องเหล่านี้ เวียนไายตายเกิดวนเวียนไปเรื่อยนี่ถ้าเรามีสติปัญญาแก่รอบจริงๆนะทีแรกมันเห็นทุกข์นะแล้ว ร, รู้ด้วยว่าหนีไม่ได้หนีไปจากมันก็ไม่ได้นะเมื่อเรามีร่างกายอยู่ไปไหนเราก็ต้องเอาร่างกายไปด้วยตายไปนะทิ้งร่างกายอันนี้ไว้นะจิตมันไปสร้างร่างกายใหม่ขึ้นมาอีกนะในพบภูมิใหม่ขึ้นมาอก็ไปทุกข์อีกนะงั้นวิธีทาลายมันวิธีหนีมัน เ, เนี่ย ไม่มีทางหนีจากความทุกข์ได้จริงหรอกแต่ถ้าสติปัญญาเราแก่รอบนะเรารู้แล้วว่าหนีไม่ได้อยู่กับมันอยู่กับทุกข์ให้ได้นะพวกเราอยู่กับทุกข์ด้วยความเป็นกลางแล้วมันไม่ทุกข์หรอกถ้ายอมรับได้ว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจจะหมดความยึดถือในกายมันจะคล้ายๆเราเอาร่างกายวางไว้อยู่ห่างๆมันจะเห็นว่าร่างกายที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันเหมือนร่างกายคนอื่น เป็นร่างกายของคนอื่นเท่านัน้นเองเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโลกเป็นวัตถุเป็นาธาตุอยู่ในโลกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนด้วยไม่ใช่สัตว <ắng. S 2> <mics S 1> ์ ecos. ไม่ใช่เราไม่ใช่เข า, าเห็นอยนนะั้นเห็นมากมากมวางไม่ยึดถือไม่ยึดถือก็หมดภาระร่างกายจะแก่ก็เรื่องของร่างกายร่างกายจะเจ็บก็เรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของเรานะร่างกายจะตายก็เรื่องของร่างกาย ไม่ใช่เรื่องของเราเห็นร่างกายไม่ใช่เรานี่ยมันวางคืนให้โลกไปอยู่อย่างนี้สบายนะไม่มีอะไรกระทบกระทั่งละทางกายไม่ยึดในกายเราไม่ยึดกายก็ไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายแล้ตาหูจมูกลิ้นมันก็กายเหมือนกันกระทั่งตายยังไม่ยึดจะไปยึดรูปทําไมนะมันจะไปยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสยึดสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งทําไมเพราะร่างกายนี่แหละเป็นตัวกระทบสัมผัสเราย่งไม่ยึดเลย อายตนะภายในยังไม่ไม่ยึดเลยมียึดอายตนะภายนอกได้ไงก็ไม่ยึดเองเมื่อเราไม่ยึดอารมณ์ที่มากระทบนะทางตาหูจมูกลิ้นกายกามและปฏิฆะคือความขัดอกขัดใจในอารมณ์ก็จะไม่เกิดกามก็คือความเพลิดเพลินพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสปฏิฆะความไม่พออกพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสไม่มีเองไม่ต้องทําอะไรนะมันละไปเอง ขอให้รู้แจ้งในร่างกายนะวางร่างกายได้นะมันจะละา ก, กามละปฏิฆะได้เองโดยตัวของมันเองนะถัดจากนั้นการภาวนานะั้นก็จะราบรื่นมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะคนส่วนใหญ่จะหยุดอยู่แค่นี้ละไม่ไปต่อนะอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองเหรอกหลวงปู่ดูลท่านพูดให้ฟังสมัยไปเรียนอยู่กับท่านนะ วันหนึ่งท่านก็ปลารปให้ฟังบอกโอ้นักปฏิบัติส่วนมากเป็นผีใหญ่ไม่ใช่ผีเล็กๆนะเป็นผีใหญ่คําว่าผีใหญ่คือเป็นพรหมนั่นเองภาวนาไปจนเป็นพรหมบางคนก็เป็นพรหมธรรมดาบางคนเป็นพรหมอนาคาอนาคาก็เป็นพรหมนี่พวกเราชอบนึกนะว่าพระอนาคาต้องอยู่สุทธาวาส5ชั้นไม่จําเป็น อนาคาที่อยู่สุดทาวารเนี่ยเฉพาะพระอนาคาที่ชํานาญในชา้นสี่นะแล้วมีอินทรีย์ที่แก่กล้ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าแต่ละชั้นแต่ละชั้นมีหชั้นนะอินทรีย์ตัวไหนแก่กล้าก็ไปอยู่ชั้นนั้นปัญญาแก่กล้าเนี่ยเป็นอินทรีย์ตัวสูงสุดเป็นพรหมชื่ออาการอากนิษฐาอากนิษฐาอกนิษฐาแปลว่าอะไร แปลว่าไม่เล็กเป็นพรหมชั้นไม่เล็กเลยนะไม่เป็นรองใครนะถ้าเป็นพรหมอนาคาจริงนะแต่อินทรีสีไม่แก่กล้าก็อยู่นนะได้ชั้นได้ชันหนึ่งสอ ง, ส, องสามสี่อะไรเงี้ยก็เกิดในพรหมพรหมโลกต่างๆยกเว้นไม่ไปเกิดในพรหมอสัญญาสัตตาพรหมลูกฟักไม่เป็นเสียเวลานะ นอกนั้นจะเวียนอยู่ในพรลมต่างๆได้เกิดในพรลมต่างๆได้เนี่ยหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่นะพอพ้นจากกามพ้นจากปฏิฆาเป็นผ้าหนาคขานะไม่ค่อยภาวนาต่อล้วรู้สึกมันมีความสุขความจริงอาจจะอยากภาวนาก็ได้นะแต่ไปไม่ไหวก็ได้มันเหนื่อยล้ววิ่งคล้ายๆวิ่งอู้วิ่งมาสุดชีวิตจิตใจแล้วได้แค่นี้แล้วขอพักก่อน เดี๋ยวไปพักต่อในพรหมโลกนะรอพระศรีอานมาแล้วจะได้มาฟังเทศนะฟังแล้วปิ้งขาดไปเลยอะไรเงี้ยนะเพราะอินทรีแ์แก่กล้ามาแล้วอย่างพระพุทธเจ้าเราตรัสรู้นะแล้วท่านขึ้นไปเที่ยวในพรหมโลกเนะี่ยพวกพรหมมาหาท่านเยอะมาเล่าบวกนี่ผมเป็นพระพรหมสมัยพระศรีขี่ผมได้อนาคาสมัยพระศรีขีคนนี้สมัยพระเวสสภูคนนี้สมัยพระวิปัสสีอะไรเงี้ยนะ ได้มาแต่พุทธเจ้าก่อนๆนะก็ยังมาฟังทรรมนี่พวกพวกนี้หมายถึงว่าไม่สามารถทะลุด่านสุดท้ายได้ส่วนใหญ่ท้อแท้ใจยากหรือไม่ก็ยินดีพอใจละได้แค่นี้พอใจละเรียกว่ามักน้อยสันโดษสันโดษในความดีต้องไม่เอานะไม่เรียกว่าสันโดษนะสันโดษในคุณงามความดีไม่เรียกว่าสันโดษเรียกว่าตรณีในความดีด้วยซ้าไป เงินความดีต้องพัฒนาให้ถึงขีดสุดนะอย่าท้อแท้ใจยากก็ยากนะลําบากมันชาตินี้หลายชาติต่อไปง่ายนะถ้าชาตินี้กลัวลําบากนะชาติหน้าก็ลําบากมากกว่าชาตินี้อีกเพราะนี่ใสอ่อนแอท้อแท้เนี่ยมันจะสะสมไปเรื่อยนั้นเข้มแข็งไว้นะภาวนาเราอย่าไปหยุดนี่พอภาวนามาจนกระทั่งปล่อยวางกายได้แล้วเนี่ยการภาวนาจะบีบวงเข้ามาที่จิตแล้วมันรู้แก้แจ้งในกายนะ ไม่ยึดกายแนละ้วภาวนามจะเข้ามาที่จิตเองม า, มาเองอนะ่ะเราค่อยตามรู้ตามดูไปด้วยเวลาจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขนะอยู่ไปอยู่ไปมันหมองๆพอหมองๆเรารู้สึกทนไม่ได้จิตไม่ดีทนไม่ได้จิตต้องดีต้องเนียบตลอดเวลานี่มาตรฐานสูงหาทางดิ้นรนหาทางแก้ไขไปนะส่วนพวกที่ท่านไม่เดินต่อนะท่านก็จะทําฌานไปด้วย ทีจิตมองๆทนะ่านก็ดูๆไปก็ผ่องใสขึ้นมาผ่องใสไปอีกสักพักก็มองๆก็มาดูอีกอนะไรเงี้ยหรือมาทําฌานขึ้นมาอีกนะก็เวียนขึ้นเวียนลงไปอย่างนั้นแต่คนที่เดินต่อนะเขาจะใจมันจะไม่ยอมใจหมองไม่ได้หาทางปก ป, กปัก ร, รักษาสุดชีวิตจิตใจเลยรักษาเต็มที่เลยหาทางรักษานะทำทุกสิ่งทุกอย่างสมาธิทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำน ะ, จะเจริญปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างสักพักเพียนใหญ่ ในที่สุดก็ทำไม่ไดนะ้ทำไม่ได้อยู่ดีนะไม่ว่าจะทำยังไงนะมันก็ไม่บรรลุมรรคผลกนะ็ทำไม่ได้นะใจมันจะรู้ความจริงขึ้นมาแล้วว่าทำไม่ไดนะ้ทำไม่ได้ก็มีสองพวกนะพวกหนึ่งท้อทแท้ไปเลยนะพวกหนึ่งที่ทำมาเต็มเหนียวแล้วเนี่ยใจมันจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางนะเลิกอยากเลิกอยากได้ใจเลิกอยากได้ใจเป็นกลางใจหมดความดิ้นรนกนะ็จะรู้ไปเรื่อยนะ อาศัยที่เคยฝึกมีสติคอยรู้รูปรู้นามฝึกมาตั้งนานหลายปีนะฝึกมาจนสติมันอัตโนมัติไม่เจตนาให้สติเกิดนะสติเกิดเองเนะนี่ถึงขั้นที่อัตโนมัติไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างสมาธิก็อัตโนมัติเพราะ ท, ทำฝึกมามากมายจนใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่แทบทั้งวันทั้งคืนแนละ้วสมาธิก็คือจิตมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยอัตโนมัติตั้งอยู่ที่ใจตัวเองแนละไม่ได้ไปตั้งที่กายด้วยซ้ําไปนะ ตั้งลงในใจคือในธรรมชาติรู้แต่ว่าไม่ใช่เอาใจไปตั้งไว้ตรงลิ้นปีตรงหน้าผากตรงกลางกระมอมอะไรแล้วเอาจิตไปตั้งไว้ตัวนั้นเอาสติไปยังเอาสมาธิไปยังอยู่ในนั้นยังไม่ใช่ยังมีที่ตั้งอยู่แต่ว่าจิตในขั้นนั้นมันตั้งที่ไหนมันตั้งที่ไหนไม่รู้มันอยู่กลางๆงไม่มีข้างบนข้างล่างข้างนอกข้างในอะไรเป็นกลางๆงสมาธิอันนี้ก็ฝึกเราฝึกมาเรื่อยนะ บางคนก็ฝึกชานมามีใจตั้งมั่นบางคนฝึกชานไม่ได้นะอาศัยสติรู้ทันจิต ท, ที่ไหลไปจิต ท, ที่ไหลไปพอรู้ทันเนี่ยจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะนะอย่างพวกเราที่หัดใหม่ๆนะพอจิตไหลไปพอเรารู้ทันเนี่ยมันไม่หยุดอยู่แค่รู้มันจะไปดึงมาด้วยมันจะแน่นๆจะดึงกลับเข้ามาข้างในยังมีข้างนอกมีข้างในนะนี่เราฝึกไปนะจนสติสมาธินี่มันอัตโนมัตนะิไม่ได้เจตนาให้มีสตินะสติเกิดเอง ไม่ได้เจตนาให้เกิดสมาธินะสมาธิมีเองไม่เจตนาเจริญปัญญานะจิตเจริญปัญญาเองตัวนี้ก็สำคัญที่ผ่านมาเท่าที่รู้ที่เห็นมานะครูบาอาจารย์ท่านบ่นมากเลยว่าพวกนักปฏิบัติเนี่ยไม่ยอมเดินปัญญาพอจิตมีสมาธินะทรงตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสงบสงัดอยู่ภายในแนละพอใจถ้าพอใจอยู่แค่เนี้ยอย่ามาคุยเรื่องมรรคเรื่องผลนะไม่มีหรอกต้องเดินปัญญา พ้นทุกข์ได้ด้วยปัญญานะพ้นทุกข์พ้นไปได้ด้วยปัญญาจริงปัญญาคือการเห็นความจริงของรูปธปรรมนามธรรมานะความจริงก็คือเห็นใจลับเราะะนั้นหน้าที่ของเรานะต้องฝึกให้เกิดปัญญาบ่อยๆเครื่องมือที่ทำให้เรามีปัญญาก็คือสติกับสมาธินั่นแหละเรามีสติรู้ลงมานะในรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายรู้โดยที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน คนทั่วไปเวลาที่จิตไปรู้อะไรเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นแต่จิตจะไหลเข้าไปอยู่ในสิ่งที่รู้นะทดสอบนะพวกเราลองดูพระพุทธรูปดูองค์เล็กนะองค์เล็กเนี่ยสมเด็จยานท่านหล่อขึ้นมาหล่อขึ้นมาจากนิมิตนะบอกว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านหน้าตาสไตนีนะ้ใครอยากดูว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงหน้าตาแบบไห น, นดูองค์เล็กนะดู สังเกตไหมเวลาที oh. there, yeah. ่เราดูนะใจเราไหลไปรู้สึกไหมเวลาที่เราดูนีใจมันไหลไปเวลาที่เราฟังใจมันไหลใจเนี่ยชอบไหลไปหาอารมณ์รูปที่มองเห็นนี่ก็เป็นอารมณ์อันหนึ่งเสียงที่ได้ยินก็เป็นอารมณ์อันหนึ่งกลิ่นนะที่ได้กลิ่นมานี่ก็เป็นอารมณ์รสก็เป็นอารมณ์อันนึงเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มาสัมผัสร่างกายก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเรื่องราวที่คิดทั้งหลายนี่ก็เป็นอารมณ์ งั้นเวลาที่เรารู้อารมณ์เนี่ยจิตชอบไหลไปอย่างเราหายใจนะหลายคนฝึกลมหายใจพอหายใจนะจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนะเอาลองหายใจดูดูออกไหมบางคนจิตไหลไปอยู่ที่ลมนะบางคนไม่ไหลไปอยู่ที่ลมหรอกไหลออกนอกวัดไปเลยเนะ <c oughs> นี่ยจิตมันชอบไหลไปนะนี่คือจิตที่ไม่ตั้งมั่นถ้าอยากเกิดปัญญานะจิตต้องตั้งมั่นนะ จิตเป็นแค่คนดูเห็นอารมณ์ผ่านมาผ่านไปเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเราไม่กระโดดเข้าไปใส่มันเราดูห่างๆดูอยู่สบายๆใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นอารมณ์ผ่านมาผ่านไปเหมือนเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านเราไม่วิ่งตามเขาไปเราอยู่ในบ้านนั่งนัง่งนอนๆให้สบายนะจิตใจมีสมาธิจิตใจมีความสุขมีความสงบอยู่กับตัวเองสบายๆจะเห็นสิ่งต่างๆไหลๆ ไ, ไปเหมือนเรายืนริมถนนนะ เห็นรถวิ่งอยู่ในถนนเราไม่ไปดูรถอยู่กลางถนนเราอยู่ริมถนนเมื่อเราดูฟุตบอลนั่งอยู่บนอัฐจาร์เห็นนักฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมา เ, เราไม่โดดลงไปอยู่กลางสนามฟุตบอลเวลาที่เราจะฝึกให้จิตเกิดปัญญาเนี่ยเราต้องฝึกทําตัวเป็นแค่คนดนะูอยากเข้าไปร่วมอยู่ในปรากฏการณ์นั้นให้ทําตัวเป็นผู้เห็นปรากฏการณ์อยากเข้าไปร่วมในปรากฏการณ์ถ้าเข้าไปร่วมอยู่ในปรากฏการณ์เราจะไม่เห<า>็นอะไรชัด นี่เราค่อยๆดูดูนะค่อดูไปทําตัวเป็นคนดูดูอย่างเป็นกลางไม่เข้าไปร่วมในปรากฏการ์ถ้าเราเข้าไปอยู่ในปรากฏการ์เราจะรู้อะไรไม่ชัดเวลาที่เราจะเจริญสติจเจริญปัญญาก็เหมือนกันต้องเป็นกลางเราถึงจะมองรูปธรรมนามธรรมาได้อย่างเที่ยงธรรมมองแบบไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่มีอคติทําตัวเป็นแค่คนดูนะดูอย่างซื่อตรงดูอย่างเที่ยงธรรม แใจที่ซื่อตรงเที่ยงธรรมในการรู้เนี่ยเป็นใจที่ตั้งมั่นนะสงบตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานเป็นใจที่มีสัมมาสมาธิรองรับนั่นเองแล้วเราค่อยฝึกนะเราเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นผู้รู้ผู้ดูฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยเห็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นมาใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะเห็นกุศลอกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นมาใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดู ถ้าใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูมันจะเห็นเลยว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดดับไปเรื่อยเรื่อยเรืกระทั่งตัวจีตเองตัวจีตเดงก็เกิดดับมีบางคนภาวนานะยจงจิตจะดับลงไปนะไปฝืนไหมก็มีนะกลัวรู้สึกเดี๋ยวจะขาดสติพยายามฝืนจะให้รู้สึกตลอดนะจริงไม่ต้องฝืนอย่างนั้นหรอกนะตามรู้ตามดูไปตามธรรมชามติมัจิตล ง, วงิวังผวาบดับลงไปเลยนะขึ้นมาอีกแล้วมันจะเห็นเลยจิตตกี้อันนึงจิตเดี๋ยวนี้อันหนึง่ง นี่มันเดินปัญญาได้ด้วยซ้ําไปงั้นจริงๆแล้วทุกอย่างนะอยู่ในสภาวะที่เกิดดับทั้งสิ้นเลยเราทําตัวเป็นคนดูเรื่อยๆไปไม่มีส่วนได้เสียถ้าดูแบบมีส่วนได้เสียนะมันจะเข้าไปแทรกแซงเช่นกิเลสเกิดขึ้นเรามีส่วนได้เสียเราไม่ชอบความสุขเกิดขึ้นเรามีส่วนได้เสียแล้วนี่รู้สึกเราสุขนะก็อยากได้อยากให้อยู่นานๆมันเข้าไปแทรกแซงลนะไปประครับประคองจิตใจจะให้มีความสุขนาน ความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่เป็นกลางเราไม่ชอบเราก็เข้าไปแทรกแซงหาทางแก้ไขกุศนละเราชอบนะเราก็หาทางทําให้เกิดมีการกระทําเห็นไหมไม่ใช่แค่รู้นะแต่เกิดการกระทำํำงั้นถ้าเมื่อไหร่เรามีอคติขึ้นมามีความยินดียินร้ายขึ้นมานะจิตจะปรุงต่อจิตจะเกิดการกระทําขึ้นมานะเห็นความสุขก็เกิดการกระทําอยากรักษาไว้ความสุขไม่เกิดก็มีการกระทําคือเที่ยวแสวงหาความสุขนะ ความทุกข์เกิดขึ้นก็มีการกระทําหาทางละมันความทุกข์ยังไม่เกิดก็หาทางปิดกั้นไม่ให้มันเกิดเนะี่ยมีการดิ้นรนของจิตอยู่ตราบใดที่จิตยังดิ้นรนอยู่นะจิตจะไม่มีวันเห็นนิพพานได้เลยเพราะนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่ดิ้นรนธรรมชาติของจิตนะถ้าจิตมีคุณภาพมีคุณสมบัติระดับไหนมันจะเห็นอารมณ์ระดับนั้นได้ยกตัวอย่างวันไหนจิตใจของเราหดหูรู้สึกไม่โลกทั้งโลกหดหูไปหมดเลย วันไหนจิตใจของเราเศร Aquí, hand, ones, humanity, ้าโลกก็เศร้าไปหมดเลยวันไหนจ <schwier> ิตใจของเราหงุดหงิดนะโลกก็ดูหน้าหงุดหงิดไปหมดเลยวันไหนจิตใจของเราสดชื่นนะโลกก็ดูสดชื่นวันไหนมีความรักหวานแหววนะโลกเป็นสีชมพูได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นจิตใจเราเป็นยังไงเราจะเห็นโลกเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจิตใจเราพ้นจากความปรุงแต่งนะเราจะเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งเราจะเห็นนิพพานธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งแล้วเราต้องฝึกจิตของเราไปเรื่อยนะฝึกให้มันมีสติ รู้กายรู้ใจรู้รูป ร, รู้นามที่มันกําลังปรากฏขึ้นมานะรู้ไปด้วยจิตที่มีสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไม่เข้าไปแทรกแซงรู้แบบไม่มีอคตนะิมันจะเกิดปัญญามันจะเห็นความจรงิงว่ารูปธรรม ท, ที่เกิดขึ้นนะไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ารู้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปนา ม, มาทำทั้งหลายทั้งความสุขความทุกข์ทั้งกุศลทั้งอกุศลกระทั่งตัวจิตเองเกิดแ ล, harbor, และะ้วก็ดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทั้งวันนะ นี่ฝึกไปเรื่อยใจมันยอมรับความจริงในทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปทุกอย่างเกิดแล้วดับไปนั้นไม่มีอะไรคงที่เลยสุขทุกดีชั่วเนี่ยเสมอกันหมดเลยนะใจมันจะเสมอภาคนะเข้าไปถึงความเสมอภาคครูบาอาจารย์ท่านจะบอกว่าภาวนามาถึงตรงนี้นะเห็นโลกราบเป็นหน้ากลองเลยเรียบไปหมดเลยเสมอภาค อย่างเวลาเราดูเห็นคนเยอะๆเนี่ยดูแลเสมอภาคนะแบนๆเหมือนๆกันหมดไม่มีนายาอะไรนะไม่ว่าคนนี้จะสวยจะไม่สวยอะไรนะี่เสมอกันไปหมดเลยนะงั้นใจที่มันฝึกจเจริญสติจเจริญปัญญามาแก่รอบพอนะมันจะเห็นโลกนี้ราบเป็นหน้ากลองเลยนะเสมอกันไปหมดแต่ใจที่ติดสมาธิก็เห็นโลกราบได้นะต้องระวังนะบางคนนะทำอย่างนี้นี่ราบไปหมดแล้วคนหรือหมาก็ไม่รู้ เพราะว่าใจไม่คิดอะไรทื่อๆ อ, อยู่อย่นี้วบอกว่าเป็นแล้วไม่ใช่นะอันนี้เป็นเพราะสมถะต้องเห็นโลกราบไปด้วยปัญญาปัญญาเกิดจากมีสติรู้รูป ร, ร, รู้นาม ตามความเป็นจริงจะรู้ตามความเป็นจริงได้จิตต้องตั้งมั่นและเป็นกลางทําตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูที่ไม่มีอคติไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายนะเป็นกลางคือไม่หลงยินดียินร้ายตั้งมั่นก็คือรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่ไหลไปไม่หลงไปจิตเราชอบไหลนะจิตที่มีสมาธิมันจะไม่ไหลมันตั้งมั่นอยู่โดยไม่ต้องรักษานะนี่ฝึกไปเรื่อยๆนะจนกระทั้งใจเป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งปวงเพราะมีปัญญา เห็นว่าความปรุงแต่งท so so ั้งปวงเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวทั้งหมดเลยสุขทุกข์ดีชั่วนั้นก็เป็นของชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่ตัวเราสั่งให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามมันก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันก็ไม่ได้มีเหตุมันเกิดหมดเหตุมันดับบังคับมันไม่ได้ใจมันจะเห็นนะเห็นยังแก่รอบเนี้มันหมดความดิ้นรนใจที่หมดความดิ้นรนนะถ้าสติสมาธิปัญญาแก่รอบเนี่ยมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิโดยตัวของมันเอง ไม่ต้องเจตนาเข้าฌานนะมันจะเข้าเองอย่างพวกเราทุกคนนี่แหละนะฝึกไปพุโทโธไปอะไรไปเนี่ยมันไม่ถึงฌานะหรือเราหัดดูจิตดูใจจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้เนี่ยจิตมาสงบตั้งมั่นอยู่เฉยๆนะตัวนี้ยังไม่ถึงขนาดเข้าฌานะเราดูทุกวันทุกวันนะเห็นกิเลสเกิดกิเลสดับรู้ไปใจตั้งมั่นก็รู้ใจไหลไปก็รู้นี่ฝึกเนี่ยนะถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่ได้ทําให้ถึงฌานะ แต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนะี่ยที่สติสมาธิปัญญามันแก่รอบนะจิตจะเข้าฌานเองเข้าโดยอัตโนมัติเลยเพราะอะไรเพราะขณะนั้นเ น, น, นะกามไม่มีความหมายกับจิตแล้ะจิตนี่นะยังไงก็ต้องอยู่ในภูมิใดภูมิหนึ่งถ้าไม่อยู่ในกามมาวัาจรภูมนะก็ต้องไปอยู่ในรูปประภูมิหรอรูปประภูมิจิตต้องมีที่อยู่เหมือนกันนะะนั้นจิตพอพ้นจากกามนะไม่ยินดียินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแล้วนะ จะรวมเข้ามาอัตโนมัติเลยพอรวมเข้ามาแล้วเนี่ยนะสติสมาธิปัญญานี่มันจะย่างรู้ลงไปย่างรู้ลงไปที่ไหนย่างรู้ลงไปที่จิตอันนี้ภาวนาในขั้นที่แตกหักกันจริงๆนะจะลงมาที่จิตเองแต่ความจริงในทุกขั้นเนี่ยนะมาตัดที่จิตทั้งสิ้นเลยในขั้นโสดาปติมมัคก็ตัดที่จิตนะไม่ได้ไปตัดที่มือที่เท้าท่านสกตาคามีมัคขั้นอนาคาคามีมัคขั้นอรหัตตมัคตัดลงที่จิตที่เดียวกันนี้หมดเลย หนะลวงปู่ดูลถึงบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคถูกของท่านน ะ, ะเวลาที่เกิดอริยมรรคเนี่ยเกิดที่จิตแต่ถ้าเป็นมรรคขปฏิปทานะหมายถึงการเจริญสติเจริญปัญญาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยรู้กายบ้างรู้จิตบ้างไม่แน่นอนนะแต่เวลาที่ตัดเนี่ยตัดกันตรงที่จิตจริงๆนะตรงนี้มันตัดได้ไงสติเนี่ยนะมันะระลึกรู้จิตโดยไม่เจตนาะระลึกไม่นะระลึกโดยอัตโนมัติแล้วเพราะมันชินที่จ ะ, ะระลึกรู้นะ จิตใจก็ตั้งมั่นอยู่กับจิตไม่หลงลืมจิตนะจิตใจอยู่กับจิตโดยที่ไม่ได้ประคองนะปัญญาอย่างซึ้งลงในจิตนะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตโดยที่ไม่มีคำพูดปัญญาของเราที่ตอนระหว่างปฏิบัตินี่เป็นญาปัญญาที่เจือคำพูดดูเข้าไปเยอะเลยนะปัญญาขนาดนั้นไม่เจือคาพูดไม่มีภาษามนุษย์ละนะนั้นไม่มีภาษามนุษย์ละเห็นแค่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไป ในขณะนั้นเห็นสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปงั้นในธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะตอนที่พระโกนธันยะจะบรรลุพระโสดาบันนะทงอย่างพูดนะแบอบกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปนะจะเห็นสภาวะอย่างนี้ถึงขั้นสุดท้ายก็จะเห็นอย่างเดียวกันนะแต่ว่าเห็นลงมาที่จิตนี่เองพนะอสติสมาธิปัญญาแก่รอบทอนะมันจะตัดอริยมรรคที่เกิดขึ้น กระบวนการที่พูดมายาวที่ว่าสมดุลกันมีอุเบกขาอยู่เป็นกลางอยู่นะสติก็เป็นอุเบกขานะสมาธิก็มีอุเบกขากำกับนะปัญญาก็มีอุเบกขากำกับนะแล้วก็ไม่มีเจตนาเจือเลยทั้งสามันสติสมาธิปัญญาไม่มีเจตนาเจือเลยนะเป็นของมันเองนะ ตนี้ที่พูดมายืดยาวว่าสติระลึกโดยไม่เจตนาสมาธิตั้งมั่นโดยไม่เจตนาปัญญาอย่างรู้สภาวะแต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรหรอกนะเพราะไม่มีสมมุติบัญญตัติก็ไม่ได้เจตนาพูดยาวเนี่ยนะเกิดในหนึ่งขณะจิตในขณะเดียวนะขณะนั้นจิตทรงอยู่ด้วยขันตินะจิตมีขันติจิตมีอารมณ์เป็นอุเบกขานะขันติก็อย่างหนึ่งนะอุเบกขาก็อย่างหนึ่งขันติเนี่ยนะไม่ มันอดทนอดกลั้นต่อแรงยั่วทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยอัตโนมัติแนละ้วเป็นอุเบกขาต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้นะไม่มีโลภะเจตนาเจือสักนิดเลยนะพูดยาวๆเนี่ยนะเกิดในหนึ่งขนาดจิตเท่านั้นเร็วยิ่งกว่าฟ้าแลบอีกนะถัดจากนั้นนะมันจะวางวางจิตนะจิตก็ปล่อยวางจิตนะทวนกระแสะเข้ามาหาธรรมชาติรู้แยกให้ออกนะจิตกับธรรมชาติรู้ไม่เหมือนกันนะธรรมชาติรู้จะเรียกว่าจิตไหม จะเรียกว่าจิตก็ได้เหมือนกันเป็นจิตอีกชนิดหนึ่งละไม่ใช่จิตอย่างที่พวกเราเคยรู้จักละไม่ใช่จิตที่เป็นตัวรู้อีกต่อไปละมันจะวางจิตที่เป็นตัวรู้นะทวนเข้ามาหาธาตุธาตุที่เป็นธาตุรู้นะไม่มีชื่อเรียกหรอกบางทีท่านก็เรียกวิญญาณนะธาตุธรรมธาตุบางท่านก็เรียกจิตหนึ่งจิตเดิมแท้บางท่านเรียกว่าใจแนละ้วแต่จะสมมติเรียกเอาแต่จริงๆไม่มีภาษาละตรงนีนะ้ทวนเข้ามาถึงตรงนี้นะ แล้วอาสวะกิเลส ท, ที่มันห่อหุ่มอยู่นมันจะถูกอริยมรรคแหวกทำลายขาดสะบั้นออกไปนะแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นนะความร่าเริงเบิกบานปรากฏขึ้นมานะโลกธาตุสั่นสะเทือนนะเป็นธรรมชาติหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีอะไรมาห่อหุ่มปกคลุมจิตได้อีกนะแต่ถ้าเป็นมรรคเบื้องต้นนะมันแหวกได้แป บ, บเดียวน้ำก็มาอีกแลวแวกแป๊บเดียวมก็มาคลุมอีกแล้วอาสวะมันจะมาคลุมอีกนะ เขแหวกถึงขั้นที่สี่นะแหวกแล้วขาดสะบั้นไปเลยนะะหลุดพ้นจากอาสวะนะไม่มีอะไรมาห่อพุ่มถามว่าธาตรู้นี้ไม่ใช่ผู้รู้แล้วนะไม่ใช่จิตผู้รู้แล้วนะมันเป็นธาตรู้นะธาตรู้นี่แหละไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงะไม่มีที่ตั้งนะเต็มโลกเต็มจักรวาลอยู่นั่นนะเพระะนั้นไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในนะ เป็นอันเดียวรวดเลยหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตหนะึ่งท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้หลวงปู่บุตรดาเรียกว่าจิตเดียวหนะลวงปู่เทศเรียกว่าใจเสมเด่นยานท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุนี่อะไรเงี้ยนะแต่ละองค์แต่และองค์นี่ท่านภาวนาเก่งๆทั้งนั้นนะสมเด่นยานท่านภาวนาเก่งมากนะหาใครจับไม่ได้เลยนะเก่งจริงๆแนะลพร้อมทุกอย่างเลยงั้นเราภาวนานะเราไม่เก่งเท่าท่านหรอกนะแล้วก็จะเกลียกตะกายไปะ ทักเพียรเอาเบื้องต้นถือศีลไว้ก่อนอย่าท th ุศีลต่อมาก็ฝึกจิตใจของเราให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวหัดพุทโธไปหัดหายใจไปหัดรู้ทันจิตไปพุทโธพุทโธนะจิตไหลไปแล้วรู้พุทโธจิตไหลไปแล้วรู้ในที่สุดจิตก็อยู่กับเนื้อกับตัวก็มีสมาธิขึ้นมาแล้วก็คอยรู้ไปนะอะไรเกิดขึ้นในกายก็รู้อะไรเกิดขึ้นในจิตก็รู้รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เป็นกลางนี่แหละรู้เรื่อยไปมันจะเห็นในทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับ เห็นที่แรกก็เบื่อนะต่อไปก็ดูไปเบื่อก็หนีไม่ได้ก็ตามราู้ตามดูไปความเบื่อก็เป็นอารมณ์นหนึ่งมันก็หายเบื่อเป็นกลางเป็นกลางแล้วก็ตามรู้สภาวะเกิดดับเรื่อยไปนะในที่สุดปัญญามันเกิดมันเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเป็นของชัวงว่วคราวจิตไปสู่ความเป็นกลางเมื่อจิตไปสู่ความเป็นกลางแล้วถ้าสติสมาธิปัญญาแก่รอบพอนะมันจะทํางานอัตโนมัติขึ้นมานะจิตเข้าเข้าฌานอนัตโนมัตินะอริยามรรคจะเกิดขึ้นในองค์ฌานนั่นเองนะ นี่พวกเราฝึกอย่างนี้นะทุกวันทุกวั น, วนภาคเทียนเข้าไปไหนไหนก็เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีไหนไหนก็ยังได้ยินธรรมะทั้งทีนะอย่าขี้เกียจนะไม่รู้จะบอกไงแล้วบอกจนหมดเนื้อหม ด, หมดตัวทุกวันแล้วนะอา้าวเชิญไปทานข้าวนี่มตเลยครับ